เมื่อวันที่5กุมพาพันธ์2 5 5รที่วัดอาบัตตานเจ้าบุตรทานวันนี้กะได้เป็บแรงทำให้การสอนของพรบพุทธศาสนาพอเป็นเพื่อกับทุกข์ฐันธรรา ทัท่านที่เป็นนักว่านส่าหทุอ่าท่านอุตส่าหเสาะเลือเวลานี่ท่านบัติทานมีสีทาน่าดื่ให้ถาทีนงตามท่ควรแต่ความามาและทักษะกำหนการตังถับเพื่อให้การากด เห็นในขนะที่ฟังธรรมเกิดได้ทำความวิจิตไว้เะพาะนาคือหให้จิตโศกไปส ส, สถานที่ต่างๆมาที่สุดผู้กนลังเทศให้มีความรู้อยู่จำเพาะภายในันธรรมทุกศยสนาที่แสดงมากน้อยหนักเบา จะเข้าไปสัมผัสความนับล้กคือนักตั้งวันแล้วจะดีแนะ้อในขณะเรือกลับรับต้นเรื่อมกล่อมจิดใจของเราให้เลยนับความสงบเพว่เปลียมันขณะที่ฟังเพลงบางครั้งอาจรวมสนึดได้ในขณะนั้งก้มทํ่งทำให้จิตรวมสมุดนั้น คือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องใดๆมีความรู้ที่เด่นชัดอยู่ภายในใจดวงเดียวทํานั้นเมื่อพิจิตรเสีเยงธรรมทุสนาก็ไม่เกี่ยวข้องกันทาน่านมีท่านว่าเรือน อ, อย่างตั้่อธรรมะของรรพธธระพุทธเจ้าความปรัสไว้ว่าธรรมโมคะเรระคติ ธ, ธรรมจาร ปแปลว่าพระธรรมกำลังรักษาผู้ปฏิบัติธรรมและเห็นผลเป็นทั้งๆกระจับใจของตนผู้ปฏิบัติในทานคือเป็นผู้เื้อสละื่อประโยชน์แต่ผู้อื่น เรียกมา่านเมื่อให้ทานเข้าเป็นเป็นความเคยชินตอ่อจิตใจแล้วจะรู้สึกมีความเลือกเย็ียนภายอย่างไาไม่ได้ให้ทานไม่ขาดไปเสียในเวลาที่เคยทำา่ต่ก็รู้สึกว่าเรไม่เป็นผู้สมา เคยรักษาสื้นคืงวันเข้ามาแม้จะมีปิการยุ่งยากขนาดไหนใจก็มีความมุ่งหวังต่อสื้อของตนเสมอเมื่อรักษาเขาจนมีความเคยคิดต่อสื้อแล้วถ้าได้ขาดเสียในวันใดวันหนึ่งรู้สึกเสียใจที่วันนี้ได้ทำตัวให้ขาดประโยชน์ไป การ อ, อกรมสิตใจเพื่อพระภาวานาคนรักษาเดียอเถทั้งสามภศนี้เมื่อได้ทํำไปถึงความเคยคิดภายในใจแล้วจะปรากฏเป็นความร่วมโยนภายในใจเสมอคำว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนั้นแนม้ในหมายเรื่องอนาคตโดยถ่ายเดียย แต่หมายเอาเรื่องปัจจุบันของตัวด้วยคือผู้ปฏิบัติดีต่อบ้านเมืองไม่ทำผู้ให้เดือดร้อนโดยการกระทำผิดของตนตัวเองก็มีความเย่เกหยิดและมันมีความเดือดร้อนสงสัยภายในใจว่าถูกโทษทันอันใด ให้รับความทุกความลำบากข้ขอการกระทำของตนสะยาดจิตใจก็เยือกเย็อยู่ที่ไหนก็สมายยิ่งในปัฏิบัติคุณธรรมเข้าภายในใจจับเป็นการให้ทานการรักษาศีลแลการเจริญภาวนาก็ยิ่งมีความรู้สึกยเยอือกเยินภายในใจเป็นลำหนักลำหรักข้ออย่างยื่งการอบรมจิตใจ จะปรากดผลที่เด่นชัดเมื่ออำนาจแห่งทานอำนาจแห่งสีนที่ตเนเคยให้ทานได้รักษาสีมา ก, ก็จะรวมเข้าสู่ตัวเดียวคือความสงบแห่งใจอั้นใจที่อบมรมด้วยดีจึงเป็นที่รวมแห่งควยงามความดีทั้งหลาย เราจะทำมาแต่อดีตมีพบมีพลาิมีสัมบมีกันเมื่อใจได้ปรากฏเป็นความสงบเท่าแล้วเท่านั้นอำ น, นาจของคุณธรรมทั้งหลายจะมารวมอยู่ที่ติวเดียวทั้งสีแม้จะจำเมื่อวันกี่เดือนที่ตนทรมาหรือจำชาติพบที่ตนทรมาไม่ได้ก็าตามแต่ผลที่ปรากฏนั้นจะพุทิเศษ เราจากจิต ใ, ใจที่ตนกำลังรู้อยู่ไม่ได้มีท่านกรเรียวนะ่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมมาให้เกิดความเดือดร้อนภายในใจเมื่อปัจจุบันในขณะนี้และวันนี้มีความเลือกยืยนอยู่พัพ่ออำนาจแห่งธรรมแล้วการข้างหน้าก็คือเรื่องของใจตรงนี้จะไปก่อพบก่อชาติในที่ไหนไหน ตําเือในใดๆก็ต้องสออยู่กับนายช่างผู้จะไปสร้างบ้านสร้างเรือนในทางคนไหนที่มีความเฉลียวฉลาดทำนี้ทำนานในการปลูก บ, บ้านปลูกเรือ น, นบ้านเรือนที่ปรากฏเป็นผลขึ้นมาจากในทางนั้นย่อมเป็นบ้านเรือนที่สวยงามได้เนื่อหนามันคงเสมอ เรืงของจิตที่เป็นนายข่างปรับปรุงตนเองมาจนมีความพเนี้ยทางานได้แต่การปฏิบัติถึงงานความดีก่อนตอนเองแม้จะประเกิในสถานที่ใดๆก็ตามจิตที่เคยเป็นนายช่างปรับปรุงตนเองมาด้วยดีนั้นจะต้องปรากฏเป็นรูปร่างหรือปรากฏ ผลขึ้นมาภายในตัวเองอันตนผู้ถือพอใจคุกคุกคคุกคุกพลาดไปนี่ต่อเรียกมาพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติคือรักษาเป็นนําหนักไปนับตั้งแต่คันเริ่มปฏิบัติพระธรรมก็เริ่มจะรักษาผู้ปฏิบัติคือให้ผลไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสมควรจะแสดงผลให้เห็นชัดภายในใจ เม้่จ น, นกระทั่งเห็นผลประจักใจจริงๆเช่นผู้อบรมภาวนาเบื้ต้นก็ยังไม่ปรากฏเป็นความสงบแต่กิริยาที่ทํานั้นเป็นภาคพื้นเพื่อจะทําใจให้สงบอยู่แล้วเมื่อได้ทําไปนานๆนนมีความติตต่อกันเป็นลำหนำับย่อมจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมา ให้ผู้บำเุ็ได้รู้ในวันใด ว, วันหนึ่งเป็นได้และเมื่อใจได้ปรากฏเป็นความสงบแล้วนั่นแหละเป็นเชื้อหรือเป็นเหตุให้จิตใจมีความบิดเบีในการกระทำที่จะเพิ่มขึ้นเป็น น, ำนำําหนับ ถ้ า, าว่าเราทำผิดใดไม่ปรากฏเป็นผลตอบแทนขึ้นมาได้จากแเราผิดการงานนั้นๆก็ไม่สามารถจะทำได้อย่างถาวร่รอาจจะนุ่มนวลลายแต่ในวันใดวันหนึ่งก็เราเมื่อเขาทำานาก็ต้องปรากฏเป็นผลที่เท้าเป็นเครื่องตอบแทนแลราจะทำผิิการงานในหน้าที่ใดๆก็ตามผลตรงเครื่องตอบแทนย่อมมีสเสมอ ผู้ปฏิบัติธรรมก็มีรักษณะเช่นเดียวกันการอบ ร, รมจิตแม้จะมีความทุ้งสานวุ่นวายและเป็นสิ่งที่รักษายากยิ่งกว่าสิ่งใดๆก็าตามแต่ก็เป็นเรื่องของจิตที่จะสามารถรักษาตนเองได้ในลักษณะเดียวกัน การทำเบื้องต้นก็ย่อมมีการลำบากต่อเมื่อในปรากฏเป็นความสงบขึ้นแล้วนั่นแหนจะเป็นเครื่องดีดูดสื่อภายในใจให้มีแต่จิตแต่ใจที่จะบำงพ็ญความสงบให้มากยิ่งขึ้นกว่านั้นเป็นกายเป็นความเคยชินความที่เคยทอแท้อดเ อ, อร์รู้สึกหยุดซึ่ง เป็นธรมดาที sí ่จะมีอย ok ู่ประจําต้นดาของกลุ่มคนเราก็จะค่อยลดน้อยถอยลงไปเป็นยังไงเรื่องความเรียรเครื่อพยายามทําจิตใจให้มีระดับสูงในรละเอียดขึ้นเข้าไปก่อนนั้นก็จะมีกําลังมากเมื่อความเพียรของเรามีกําลังมากเขาทําไรผลที่จะปรากฏ ให้ได้รับภายในใจกคือควาสมสงบมีความละเอียดมากเท่าเท่าเทียมกันวิ ธ, ธีจะทําใจให้มีความสมงบส่วนมากก็คือการการกําหนดลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกให้มีความรู้สึกติดตามลมของตนเสมออย่าให้ข า, า, าดละขาดต่อความรู้สึกทั้งหมด ททให้รวมตัวเข้าไปอยู่สุดเดียวคที่ลมหายใจกากบนกเออเราจะกำหนดพุทโธก่อนเป็นต้นก็โปรได้ทำความรู้สึกให้แนบสนิทอยู่กับพุทโธคือทำมวยสังหารเมื่อจิตแต่ถูกทัิุ์เป็นเครื่องบังคับกำกับตัวอยู่เสมอจิตก็จะทำความรู้สึก กับบทบริกรรมมีคุทโธเป็นต้นได้ชนิดเป็นลำดับข้ไปนั่นเลยจิตจะมีโอกาสปรากฏเห็นความสงบทั้งๆที่ตนไม่เคยปรากฏมาเลยในขณะนั้นเนได้ mm hmm. การกำหนดลมหายใจบางทั้าถ้าจิตสงบจนที่ ความรู้สึกภายในใจในขณนะนั้นปรากฏว่าลมหายใจได้หายไปทีสิไม่มีอะไรเหลยนเลยแต่ในขณะเดียวกันก็ทราบได้ว่าลมหายใจนี้ได้สรานไปทัวทั้งนื้พรางร่างกายออกทุกของทุกคนอย่างนี้ก็มี แต่จะเป็นความจริงอย่างไรนั้นผู้ปฏิบัติก็ไม่สามารถที่จะพิสู่ใจได้ว่าลไมได้หมดไปจริงๆเหรอจากลมหายใจแต่จะคอยทรามได้ในเวลาลมหยากแล้วค่อยละเอียดลงไปก็สราละเอียดลงไปจนลำดับลาดับก็สราบ เวลาลมหมดไปจริงๆตอนนั้นก็มีการภาพนอยในลักษณะเดียวกันแต่ความรู้ที่ปรากฏในขณะนั้นไม่ได้มีการแฝงสายไปสู่อารมณ์ใดๆคือหนึ่งคือความรู้เทนั้นแต่ก่อนมีสองกับกลมทีม่ลมได้ปรากฏว่าได้หายไปถิาเราไม่หายก็กลายเป็นอะไรเป็นหนึ่งละเอียดออกปรามสันระหางา ล, าล่า การละกำหนดลมเป็นอย่างนี้ทั้งนี้นกำหนดทุดโธเมื่อจิตได้ละหยาดเข้าไปจริงๆคำว่าพุโทโธกับความรู้เลยกลายเป็นเดียวกันเราจะว่าพุโทโธก็ตามไม่ว่าก็ตามในขณะที่จิดไม่แน่สนิท ก, กับทุทโธแล้วก็ปรากฏเป็นพุโทโธอยู่เช่นนัเพราะคำว่าุโทโธก็คือความรู้จิตได้ น, นิ้งไป เป็นความรู้อันเดียดแต่ผลที่ปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติทั้งสองนี้คือจิตเป็นหนึ่งไม่ได้สองกับอารมณ์ที่เคยเป็นมาเมื่อผลทื่ปรากฏอย่างนี้แล้วผู้ปฏิบัติจะต้องทราบในตัวเองว่าความสุขที่เคยปรากฏมา จะปรากฏในทางในข้อตามกับความสุขที่ปรากฏขึ้นในขณะที่จิตมีความสงบขึ่นนี้จะรู้สึกื่กแปลกต่างกันมากมายยืนใจในที่นิจที่เจนาในก่วนหนึ่งสภาวะธรรมโดยทางปัญญาด้แล้วความสงบของจิตจะมีความละเอียดเข้าไปเป็นลำหนับ อำนาจของปัญญาเป็นเครื่องสักฟอกและคิจแอนาในาสภาวะทั้งหลายที่จิตเคยสําคัญธ์มั่นหมายแล้วถือเป็นภาระของตนทู่ท่านเรียกว่าอุปาทานเมื่อปัญญาและคิดแอนาในาสภาวะมีส่วนของร่างกายเป็นต้นเห็นชัดมากเท่าไหร่คําว่าอุปท า, านคือความถือมั่นในส่วนของกายเหล่านี้ ก็ค่อยถอยตัวออกมาจากความยึดมั่น น, น, น, น, น, นั้นเป็นลำดับลาดับะฉะนั้นอุปปทานของกายจึงซึ้งสุดตรงได้ในเวลาที่พิจารณากายเห็นชัดตามในที่เต็มที่แล้วแล้วก็ถอนออกมาได้อยา่างเสร็จทีต่อจากลำดับนั้นไปเรื่องของกายนี้จะไม่ปรากฏในความรู้สึก ขนาดที่เราภาวนาคือการภาวนาเบื้องตน้นเราจะพิจารณาส่วนแห่งน่างกายส่วนใดก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างลุ่มๆุ่มรอนรอนแต่เมื่อทัตติและปัญญามีกําลังพอตัวในการที่จะนาด้านวัตถุนี้เนี่เรื่องส่วนแห่งกายทั้งหลายจะเห็นได้ด้วยปัญญา โดยรวดเลยเพราะสติสปัญญาวิ่งไป่ค่อนร้อมันมัในเรียการไปสู่ที่ต่งางๆมีขพอพ้นจากภาวะนี่แล้วใจที่เคยเ่างนดูกล่างกลางครัวของตนรือส่วนอย่างร่างกายของตนมาเป็นลำดับก็จะกลายเป็นทุมากาศไปหมด ส่วนทางร่างกายเมื่อจะปรุงขึ้นมาเป็นภาพช่วระยะเพียงเล็กน้อยก็ครอยที่จะสียายไปเพราฉะนั้นก็ไม่มีอะไรเบียทั้งๆที่เราได้เคยจิต น, นามาจนชำนาญและเห็นชัดเปยแต่เมื่อพ้นจากระยะนี้แล้วเรื่องของจิตจะไม่ปรากฏในส่วนของร่างกายนี้เลย แม้จะปรากฏก็เพียงชั่วขณะเดียเท่านั้นไม่ถึงเพีย น, น, นาทีส่วนนี้ก็จะพื<ม>้นหายไปหมดจากความรู้สึกแม้จะมีอยู่ก็มีอตามสภาพของตนความรู้สึกจะไม่เกี่ยวกับความเป็นภาพในส่วนของร่างกายนี่เลยท่านเรื่องนีเป็นสูญอากาศจากสผลของร่างกาย คำว่าอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่นในส่วนของกายก็หมดไปในในระยะ น, นี้ต่อจากนั้นก็จะมีส่วนแห่งนมามธรรมที่ท่านเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารมีอยที่เกิดขึ้นจากทางกายมากเกิดขึ้นจากทางใจมากมีเป็นส่วนละเอียดของการทิจริา เมื่อใจได้มีความทรมิชํานานสตติกับปัญญามีกาลังกล้าขึ้นเป็นลำลาำแม้ส่วนเหล่านี้ก็จะต้องถูกถอนออกจากจากอุปทานอีกเพ่นเติไปกล่าวความรู้ทั้งหมดที่เคยแฉกสร้สางไปสู่ที่ต่างๆอันเป็นเชื้อแห่งอุปทานที่จะได้ตามเกาะตามยึดมั่นถ่มันนั้น ก็หดตัวเข้ามาทั้งด้านรูปกานเสียงสลิ่นรสเครื่องสัมผัสและในส่วนแห่งร่างกายก่วนนี้ตลอดถึงเวทนาสัญญาสังขารเหญนหาณรวมเข้าไปสี่จิบเดียวก็เรียวาตัวอวิชชาที่พาให้กาะกํานเนิดตัวดอ่เสมอนั้นได้เกิดวงจัต เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพัจึงตรัสไว้เพียงว่าพระพัฒนสลังมีบังจิตดังจิตต้นต้นเป็นประพักสอไม่ได้หมายที่ว่าจิตบริสุทธ์เป็นเพียงมีความผ่องใสเท่านั้นแต่เป็นจิตที่ของสายอยู่ในภาวะแห่งวิชาที่ครองตัวอยู่เท่านั้นไม่เป็นจิตที่ผ่องใสเพราะอํานาจแห่งความบริสุทธิ์เพะฉะนั้นจิตตรงนี้ ควรที่จะถือกำหนจเกิดได้ในกำหนดและสถานที่ต่างๆเป็นธรรมดาแต่ mm hmm. ถ้าจิตได้ถูกซักข้อด้วยอำนาจของสติและปัญญานี้ความที่ว่าจิตของใสยนั้นซึ่งเป็นจุดสมมุติของอิชาสติจู่ก็ได้ถูกปัญญาที่จรณนาเจนรู้รอด ไม่มีอันไรเหลือแล้วกลายเป็นสิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมานั่นแหละจึงไม่ใช่ฐานะที่จะก่อกำเนิดเกิอดอีกเช่นที่เคยเป็นมาจิตนี้เรียกว่าเป็นสิตที่บริสุทธิ์น่าสีทธิ์เป็นจิตที่พ้นจากภาวะที่เคยเป็นมาเพราะฉะนั้นในปัญหาข้อที่ว่า พระภระลังมีดัจงจิดจังที่ท้านไว้ในธรรมบทยังมีปัญหาข้องใจอยู่บ้างว่าถ้านจิตคิดเมื่อค่องสายแล้วทำไมจึงเกิดแต่ท่านว่าจิตเดิมนั้นเป็นจิตที่ค่องสายแต่เพราะที่เหลเปเนอาทันตุกกะที่จอมาใจจิงกายเป็นของผิดมัวหมองกรนั่ง จิตที่ผ่องใสนั่นแหละเป็นสถานที่หรือเป็นสาลาเป็นสถานีที่พักต่อแห่งอารมทั้งหลาความผ่องใสนั้นไม่ใช่ผ่องใสในยุทธเป็นแต่ความผ่องใสที่เป็นสถานที่ควรจะสมมุติด้วยกับที่จะเข้าอาศัยกันได้เพราะฉะนั้นอวิชชากับจิตสมมติทั่วไป จึงประสานกันได้เป็นธรรมดาเพราะคำผ่องใสนั้นก็เป็นสมมุติอันหนึ่งเงื่อนสมมุติของอวิชชาจึงทั้งหลายที่จะเกิดแท้ขึ้นจากอาวิชชาเป็นต้นเหตุนะจึงกลายเป็นสมมุติอันหนึ่งอันหนึ่งขึ้นมาเมื่อยังไม่ถูกทำลายความผ่องใส จ, จุดนี้ด้วยปัญญาให้เต็มที่เสียเมื่ อ, อไหร่ได เรื่องความเกิดเราจะปฏิเสธไม่ได้วันยั่งคำขนอย่างนี้และไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดด้วยใครจะเห็นด้วยกว็ต า, ามไม่เห็นด้วยกว็ต า, ามเชื่อหรือไม่เชื่อก็ต า, ามธรรมชาตินี้ต้องเป็นธรรมชาติที่จะทาตามหน้าที่ของตนอย่างนั้นตลอดกาลต่อเมื่อได้ทําลายสภาพนี้ลงไปด้วยศีลจะมาที่ปัญญา ให้เป็นที่แท้สะภาพนี้จึงจะงูญจากความเป็นสมมติมันเป็นสถานที่เกิดที่เสียกลายเป็นมื้อขึ้นมาในจิตที่ในคำลอริถานั้นให้พ้นประจากรัวกลายเป็นมื้อขึ้นมาภายในใจนี่มาถึงขั้นนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าธรรมะคําั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ประทานเอาไว้ เพื่อผู้ปฏิบติให้เห็นผนนั้นจะเห็นผลในชาติตายการเลต้องเห็นประจักษ์มาเป็นนลำหนับนับตั้งแต่ขั้นต้นคือการบำเพ็ญทานการนักษาสีการภ า, า, า, า, ารวนา ม, มีความเยือกเย็ยนมาเป็นลำหนับจนกระทั่งถึงท่านที่เยือกเย็นเต็มที่ได้แก่ถึงขั้นที่ทนละเอเยียดอีกทีมีเราดูที่ไหนก็เห็น ว่าทำโมเหรอทติธรรมจารีประจากกับใจอยู่ตลอดเวลารักษาใจได้เช่นนั้นไม่มีสิ่งใดจะสามารถจึนชาบเข้าภายในจิตได้ทั้งๆที่เคยจึนชาบันมาเป็นเวลานพอเมื่อได้ทํากําแพงกั้นจิตใจขอ้งตนไว้โดยรอบแล้วไม่มีอะไรที่จะสามารถทำอันตรายที่ใจได้แลนะ้วดังนั้นคําว่าทำโมเหรอทัติธรรมจารี ซึ่งเกิดน้อยกำทองกั้น ก, นการสลายไปเมื่อปิบัติการหาอาศวะที่จะปรากฏขึ้นภายในความรู้สึกนั้นไม่ว่าพบธาตใดๆที่เคยส้ำพันเกิดเมื่อกันจะไม่มาไม่มีสกินใดสามารถจะแทรกซึมเขาได้ในจิตตรงนั้นนี้แต่ขณะเดียวนั้นท่านเรียกว่าจิตที่ตายตัวเราจะ ประสบจึิงต่างๆในทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเจอื่นก็ตามสภาพทั้งหลายจะเป็นสภาพความจริงตามหน้าที่ของตนความรู้สึกที่รับรู้ต่อสิ่งทั้งหลายลนั้นก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาอันเท่านั้นเพราะหน้าฐานที่จะเป็นเหตุให้ทําความกําเริ่มให้เกิดความดีใจเสียใจได้ถูกทำลายลงแล้ว ลากฐานนั้นนั้นได้แก่อวิชชานั่นแนเป็นผู้ที่คอยรับความดีใจเสียใจที่ลากฐานานั้นนั้นเมื่อได้ถูกทาลายแล้วความดีใจเสียใจจึงไม่มีทางเกิดขันทั้งหมดจึงกลายเป็นขันรวนๆลูปแม่จะมีอยู่ภายในกายของตัวเองก็ไม่สามารถที่จะทําจิตใจให้กําเริบเพราะรูปของตดตายของตด เนืนาจะเกิดขึ้นในส่วนแห่งร่างกายจะเป็นสุขนกขเวทนาทุกเวทนาพก็เป็นธรรมล้วนๆไม่เป็นสิ่งที่จะเสริมให้ทุกภายในใจเกิดขึ้นได้เพราะเกิดของเวทนาส่วนหงนงร่างกายสัญญาที่เคยจํามาได้หมายรู้มากน้อยกว้างแค่ลึกตื้อนอย่ากระเดียดสังขารความคิดความปรุงซึ่งเคยเป็นมาเยนยานความรับรู้ทั้งหมดที่กล่าวมันจะกลายเป็นขันล้วนๆไม่มีขันใดจะ เป็นภายต่นทิศใจตรงนั้นเพราะพิษที่แท้จริงหรือภัยที่แท้จริงก็ได้แก่ใ จ, ใจและได้ทำละตนให้รอบครอบไปหมดแล้วไม่ไมีอะไรอนู่ต้นเหตุที่สำคัญที่จะทำให้ขันทั้งหลายนี้เกิดความกำเริบกาเริบขึ้นมากาจจินติเดขึ้นมาภายนานใจอีกไม่ถูกทำลายแลย สภาพทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขาห น, น, น, นึญงาณจิตกายเป็นธรรมล้วนแม้รูปเสียงถึง่นลดเครื่องสัมผัสที่เราเคยเห็นว่าเป็นธาติสุกต่อตนเองก็กายเป็นความจริงด้วยกันเพราะใจที่เป็นหน้าฐานทั้งัญเป็นความจริงต่อตนเองโดยสบู่เน่ยมีผลอย่งการปฏิบัติความทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติให้เห็นผลประจักษ์เสมไม่ได้นิยมมากเป็นหญิงเป็นชายนักขวดและคารวะ ท, ทั้งคัญที่ด้านปฏิบัติ และกามปฏิบัตินี้ผู้หญิงผู้ชายนักบวชฆราวาสปฏิบัติกันหน้าทั้งนั้นและแต่ความสามารถของท่านผู้ปฏิบัติจะทําได้มากน้อยผลจะต้องเป็นที่ตอบแทนเสมอไปไม่ขึ้นอยู่กับเพศไม่ขึ้นอยู่กับวมยแต่ขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องผลผลให้ปรากฏขึ้นมามากน้อยอันนี้ก็เห็นว่าตผองควร พอต้าก็ไม่ควรได้ออกักอเียขอที่ติด อ, อกนเพีออยงพอเอ